พวกเราชอบวัตถุมงคลก็ดีกว่าวัตถุอระมงคลนะแต่จะไปลงมากนะักเสียเวลาไม่ช่วยให้พ้นทุกข์จริงธรร ม, มนะถึงจะพาให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆนะวัตถุทำให้กำลังใจเท่านั้นนะเราพอนาให้ใจมันสบายมีสติรู้เนื้อรู้ตัวนะถือศีลห้ามีศีลห้านะเทวดาเขารักษาแล้ว ยิ่งเรามีสมาธิด้วยเทพพรหมชอบเจริญเมตตาเนี่ยท่านชอบมากวัตถุมงคลที่มันขลังๆเกิดจากพลังอย่างเทวดารักษาอยู่ถ้าคนดีได้ไปเทวดาก็คอยดูแลให้ช่วยให้อะไรพลังงานมันนิดเดียวมันแบตเตอรี่ตัวเล็กนิดเดียวอาัยเป็นสื่อ อพลังงานที่เยอะกว่านั้นพลังของพระพลังของเทพพรหมสมาทิฏฐิอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีศีลมีธรรมท่านก็ไม่ให้ไม่มีประโยชน์อะไรหนักคอว่าเปล่าแหวนไหมขั้นต่ําสุดต้องมีศีลศีลห้าข้อไม่เอามากศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายเขาอันนี้ข้อหนึ่ง ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินเขาข้อสองไม่เบียดเบียนลูกเมียเขาคนที่เขารักข้อสไม่เบียดเบียนชื่อเสียงเกียรติยศเขาข้อสี่สิ่งข้อห้านี่ไม่เบียดเบียนสติของตัวเองเบียดเบียนตัวเองนะถ้าที่ร้ายที่สุดคือเบียดเบียนสติตัวเองร้ายที่สุดเลยะสติเป็นของสําคัญทิ้งสติซะตัวเดียวนะศีลสมาธิปัญญาก็หายหมดนะถ้ามีสติมันก็ศีลสมาธิปัญญามก็พอจะเกิดได้ เป็นเบื้องต้นเลยที่จะต้องต้องมีจิต ท, ที่เป็นกุศลทุกดวงต้องประกอบด้วยสตินี่เป็นกฎของธรรมะถ้าขาดสติเมื่อไรไม่ใช่จิต ท, ที่เป็นกุศลงั้นเราตั้งใจรักษาศี่ห้าไว้นะไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนสติตัวเองเมื่อไม่เบียดเบียนแล้วเราก็มาพัฒนาสติของเราให้ดีขึ้นด้วยการภาวนาปฏิบัติ หัดรู้สภาวะไปสภาวะที่ควรรู้มากเลยก็คือสภาวะที่จิตมันหนีไปให้ใจออกให้ใจเข้าจิตหนีไปเรารู้พุดโธไปจิตหนีไปเรารู้ดูท้องพองยุบไปจิตหนีแล้ว ร, รู้ไม่ได้ฝึกให้จิตนิ่งแต่ฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถ้าเรารู้อย่างนี้นะบ่อยๆต่อไปพอจิตเคลื่อนมันจะรู้โดยไม่ต้องสนใจแต่มันรู้เองเลย ไม่ต้องตั้งใจรู้แงสติอัตโนมัติมันเกิดล้แล้วทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปสมาธิอัตโนมัติก็เกิดแล้วสมาธิคือความตั้งมั่นไม่เคลื่อนไม่ได้ต้องรักษาถ้าจงใจจะไม่ให้เคลื่อนเนี่ยจงใจทําขึ้นมาเป็นสมาธิแบบจงใจอึดอัดถ้าอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตมันจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิดขึ้นถัดจากนั้นก็มาแยากรูปนาม บางคนนะพอจิตเป็นผู้รู้แล้วรูปนามแยกเลยเพราะว่าเคยทํามาแต่ชาติก่อนๆมันแยกอัตโนมัติพอรู้ตัวขึ้นมาขันมันแยกเลยเคยมีพระมาเล่าให้ฟังตอนนั้นท่านเป็นวัยรุ่นท่านไปนงานลอยกระทงตอนนั้นเป็นโยมนะไม่ใช่เป็นพระเป็นเนรไปลอยกระทงนะเป็นขลรวาสไปลอยกระทงไม่ทันระวังตัวนะไปยืนอยู่ข้างๆที่เข้าจุดพลุ เราก็จุดเปลี่ยนมาบอกตกใจมากเลยพอตกใจได้เห็นจิตมันไหววูบเลยนะแล้วตัวรู้ก็ผุดขึ้นมาเลยความตกใจก็เด็นหายไปนะตัวรู้เกิดขึ้นนี่ลักษณะอย่างนี้ลักษณะที่ว่าของเก่ามันมีงั้นพวกเราบางคนเนะียพอตัวรู้เกิดแล้วเนะี่ยขันมันแยกงอัตโนมัติไลย ม, มันเห็นนาะกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง ความตกใจก็เป็นขันหนึ่งเป็นสังขาร ข, าขันความตกใจเป็นกองสังขารจะเด่นออกไปแยกออกไปจิตเป็นคนดูขึ้นมาตัวรู้เด่นดวงขันแยกอันนี้ของคนเคยทำมันจะเป็นอย่างนี้พวกเราจํานวนมากก็เป็นใครเคยตอนเด็กๆเคยเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจำภาวะ น, น, นั้นได้แล้วพอมาพอนานนะพอตื่นขึ้นมาแล้วนึกขึ้นได้ว่าอันนี้ของเก่านะ ใครเกิเป็นมัน้งยกมือซิมีไหมพวกเนี้ยเคยทําเคยทํานะชาตินี้ควรจะกพัฒนามากกว่านี้นะถ้าพัฒนาอยู่เท่าเก่าเนี่ยไม่เรียกว่าพัฒนาเรียกว่าดอยพัฒนานะถ้าเกิดมาก็ขันแยกเป็นแล้วเนี่ยมีบา ร, รมีมาแล้วต้องต่อยอดต่อต่อยอดอยังไงก็ต้องดูขันทํางานดูใจรักดูใจรักมากก็เกิดปัญญาจิตมีปัญญาเต็มที่ก็บริสุทธิ์หลุดพ้น บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าบอกปัญญานี้เป็นวิปั ส, สนาปัญญาไม่ใช่ปัญญาอย่างโลกโลกหรอกนี่บางคนพอตัวรู้เกิดแล้วรู้ตัวแล้วมันรู้อยู่เฉยขันไม่แยกอันนี้ไม่ได้พัฒนาเขาเรียกว่าปัญญินรียปัญญินรียคืออินทรีย์ชนิดที่เรียกว่าปัญญาไม่ได้พัฒนาปัญญามาพูดภาษาไทยง่ายๆ ในอดีตไม่เคยได้เคยฝึกมีปัฏนามาพอรู้ตัวขึ้นมาแล้วรู้อยู่เฉยๆเลยเนีย่ยเวลาทำอะไรก็เฉยเฉยรู้สึกในร่างกายรู้สึกในจิตใจแต่ทุกอย่างเฉยหมดเลยถ้าอย่างนี้เราก็ต้องช่วยมันวิธีช่วยมันนะถ้าจิตมันนิ่งเฉยอยู่ให้คิดพิจารณาคิดพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายก็ได้พิจารณาจิตใจก็ได้พิจารณาร่างกายเช่น ดูผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทีละส่วนทีละส่วนแล้วค่อยๆสอนมันไปผมนี่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของทนอยู่ได้ไม่นานนะหลุดล่วงไปงอกไปอะไรเนี่ยบองคนตอนเด็กผมเยอะโตขึ้นผมหายไปนะค่อยๆ ค, ค, คิดไปทีละส่วนทีละส่วนนะคิดในเรื่องไตร ล, ลักษณ์ไม่ต้องไปคิดในแง่ปฏิกูลสุภานะถ้าคิดว่าเส้นผมนี่โสกปรกโสโครก ไม่สระผมสองวันก็เหม็นจะแย่แล้วไม่ดีไม่งามอันนี้จะไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกคิดพิจารณาแต่ีคุณอาสุภาพมันจะไปเป็นสมสถะให้พยายามคิดลงไตรลักเนื้อผมมันไม่ใช่ตัวเรานะนเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่เราหรอกไม่นานมันก็หลุดไปมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเนี่ยค่อยๆสอนมันไปเงี้ยคนเล็บฟันหนังเนื้อเองดูไล่้ลแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงไปคิดพิจารณา พิจารณาไปมากๆจิตฟุง้งซ่านก็กลับมาทําความสงบใหม่สงบแล้ว อ, ออกพิจารณาใหม่จ น, นวันหนึ่งจิตมันปิ้งขึ้นมามันหันมองร่างกายหรือหัดถ้าจะฝึกดูจิตจือใจนะก็แยกความรู้สึกทางใจออกไปแบบเดียวกันแล้วดูว่าความสุขเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะความสุขเป็นของถูกรู้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขนี่ไม่เที่ยงความสุขเป็นอนัตตา สั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วสั่งให้อยู่นานก็ไม่ได้เนี่ยพิณานลงไปความทุกข์ก็เหมือนกันกุศลอากุศลก็แบบเดียวกันพิจรณานไม่ใช่เราหรอกของที่จิตไปรู้เข้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของทนอยู่ไม่ได้เป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยพิณากายพิจาณาใจอย่างนี้นะสําหรับคนที่รู้ตัวแล้วแต่ขันมันไม่แยกนะรู้ตัวแล้วขันไม่แยกไในให้พิจารณากายพิจารณาจิตแล้วแต่ความถนัด พิจารณาเพื่อให้เห็นว่ากายกับจิตนักคละอนกันสุขทุกข์ดีชั่วกัจิตนักคลนละอกันพิจารณาเพื่อให้เห็นอย่างนี้พระจิตมันมองเป็นแล้วต่อไปขันมันแยกออกอย่างน้อยต้องแยกได้สองคือรูปกับนามต้องแยกได้สองอย่างน้อยนะถ้าแยกได้มากๆก็แยกได้ห้คือขันห้าคำว่าขันเนี่ยไปตกใจคําว่าขันเป็นภาษาบาลีเท่านั้นเองภาษาไทยคือคําว่าส่วนห้าส่วน f division หส่วนนะแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องโหขันคือสับพิสดานก็คือ5ส่วนนั่นแหละแยกตัวเองออกเป็นส่วนๆแล้วเพื่อจะเห็นว่าแต่ละส่วนไม่ใช่คนนะไม่ใช่ตัวเราเหมือนมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งจับมันถอดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วรถยนต์ก็หายไปนะกลายเป็นลูกล้อลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อเท่านั้นเองนะตัวเราไม่มนะีขันห้าไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆ เพราะนั้นถ้าหากรู้สึกตัวแล้วเฉยอยู่ให้คิดพิจารณาแต่ถ้าขันแยกแล้วอย่าไปคิดพิจารณาให้ดูขันแสดงใจรักไปแต่ถ้าขันแยกแล้วเกิดไปจ้องอยู่แต่ละขันอีกเนี่ยจ้องอยู่ที่กายเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันจะจ้องทื่อๆซื่อบื้ออยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยต้องคิดเพิ่มอีกแล้วคราวนี้คิดเรื่องใจรักให้มากๆหน่อยคราวนี้นะ การคิดนัเป็นอุบายกระตุ้นนําร่องให้จิต ด, ดูไตรลักษณ์ของรูปนามเบื้องต้นคิดเพื่อแยกรูปนามนะแยกรูปนามได้แล้วก็คิดเรื่องไตรลักษณ์เพื่อจะได้เห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์เรื่อการคิดมีประโยชน์ตรงนี้แต่ถ้าถ้ามันแยกแล้วแสดงไตรลักษณ์แล้วนะเห็นแล้วนะอย่าไปคิดตัวนั้นจะฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้เลยเสียเวลา คล้ายๆทำอะไรทำแต้มมาตั้งเยอะแล้วก็กลับไปเริ่มหนึ่งใหม่จะปรักได้ไหมไม่ยากอะไรหรอกเนี่ยพอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะฉิก็ตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วบางคนขันไม่แยกอัตโนมัติพวกนี้ของเก่าเขามีถ้าเราตั้งแล้วมันก็ตั้งเฉยอยู่อย่างนี้ ก็ต้องช่วยมันแยกขันด้วยการคิดว่ากายกระใจมันโคละอันสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตใจก็โคละอันแยกกันไปแต่ละอันแต่ละอันพอแยกแต่ละอันได้แล้วก็เกิดเฉยอีกเฉยอีกพิจารณาเลยแต่ละอันนี้เป็นไตรลักษณ์ดูเข้าไปอย่างนี้แต่ละอันเป็นไตรลักษณ์ดูซ้ําๆำซ้ ำ, ซ, ำ, ซ, ำซ้ำเข้าไปหรือเวลาพิจารณากายเบื้องต้นเพื่อให้แยกแย ก, กายแยกจิต น, นะอาจจะไม่ต้องดูผมคนเล็กฟันหนังก็ได้เยอะเกินไม่ชอบ ยาวไปลาคาญเอาไง่ายๆเนี่ยร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เรานั่งดูนั่งพิจารณามันไปอย่างนี้ได้ะไอ้ตัวที่หายใจออกไม่ใช่เราไอ้ตัวที่หายใจเข้าไม่ใช่เราไอ้ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนนี่ไม่ใช่เราดูมันทั้งตัวอย่างนี้ก็ยังได้นะไม่ต้องแยกผมคนเล็บสนหังเป็นส่วนๆก็ไดนะ้การปฏิบัตินะถ้ารู้หลักแล้วโอ้อะไรก็ง่ายไปหมดเลยถ้าไม่รู้หลักอะไรก็ไม่ถูกหรอกพอไหวไหม ทีแรกก็ต้องหัดให้มีศีล น, นะตั้งใจรักษาศีลก่อนต่อมาฝึกให้เกิดศีลอัตโนมัติวิธีให้มีศีลอัตโนมัติก็คือมีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรูน้ทันกิเลสอะไรรู้ทันกิเลสมาแล้วรู้ทันพอรู้ทันในกิเลสจะครอบจิตไม่ได้กิเลสครอบจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติเกิดคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตต่อมาฝึกให้เกิดสมาธิอัตโนมัติจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ พอรู้ปุ๊บมันก็ไม่เคลื่อ น, นก็ตั้งมั่นอยู่พอตั้งมั่นแล้วก็ต้องฝึกจนได้ปัญญาอัตโนมัติคือจิตเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามธาตุขันแต่ละขันนะโดยที่ไม่ได้เจตนาแต่เบื้องต้นถ้ามันไม่ยอมดูเจตนาช่วยมันหน่อยนะถ้ามันรู้ตัวอยู่เฉยๆก็หัดแยกขันเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู ร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูค่อยหัดแยกไปด้วยนะความดีความชั่วใจเป็นคนดูหัดแยกเนี้ยพิจารณาไปพอมันแยกได้แล้วบางคนไปดูจิตนะสมมติรู้แล้วว่าความสุขกับจิตเป็นโคล่านกันดูไปปุ๊บเห็นความสุ ข, ค ว, สขความสุขก็จะดับไปเบรกขาคราวนี้อยู่เฉยเลยนะเฉยคงที่อยู่กันนะดูสภาวะว่างๆอยู่ ดูมาปีหนึ่งแล้วยังว่างอยู่กันนะ่ะไม่ได้ไม่ได้จิตเข้าไปรวมด้วยนะเฉยอยู่นนะ่ะอย่างนี้ต้องพิจารณาหน่อยช่วยมันดูว่าว่างนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอีเอนะสอนมันแต่ถ้ามันเดินปัญญาได้เองแล้วอย่าไปสอนมันนะจิตเนี่ยไม่ชอบให้ใครสอนมากเหมือนเด็กนะสอนเยอะเกินไปลาคาญใครมีลูกบ้างในห้องนี้เวลาสอนลูกลูกลำคานบ้างไหม เป็นไหมเป็นแล้วนึกได้ไหมเราเคยเป็นลูกเหมือนกันตอนผู้ใหญ่สอนเรามากลาคาญไหมเหมือนกันจิตก็เป็นอย่างนี้แหละจิตเนี่ยสอนมากไม่ได้ลาคาญจะไม่สอนได้ไหมไม่สอนก็ไม่ได้ก็ตามใจกิเลส ช, ชั่วไปเลยสอนมากก็ไม่ได้ต้องมีชั้นเชิงในการสอนเหมือนสอนลูกนะจิตเนี่ยธรรมชาติชอบสุขสนหนีเที่ยวเรื่อยๆอย่างี้ อยู่ๆจะไปบอกเฮ้ยอย่าเที่ยวอยู่กะที่อยู่กะลมหายใจนะมึงอย่าไปไหนนะอย่างเงี้ยโวมันเครียดนะเหมือนอยู่ๆสั่งลูกอ่ะห้ามออกจากบ้านหรือต้องอยู่แต่ในห้องห้ามออกมาเด็ดขาดแถมยึดมือถือไปหมดเลยให้มันอยู่อย่างนั้นเลยไม่มีมือถือเ น, นี่ยแล้เด็กเครียดไหมเครียดไหมถ้าผู้ใหญ่ฉลาดเด็กมันสนหาขนมมาหลอกมันเข้ามากินขนมอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยมันไม่เป็นสนด้วยแล้วมันมีความสุขด้วย สมาธิเนี่ยนะจิตมันสงบด้วยแล้วมันมีความสุขด้วยนะไม่ใช่ซบื้อสงบอยู่เครียดเครียดอยู่ใช่ไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่อยๆเรียนนะค่อยๆฝึกขึ้นมาเจอทั้งทุกอย่างเป็นอัตโนมัตินะไม่ได้เจตนาจะมีศีลก็มีศีลไม่ได้เจตนาให้จิตตั้งมั่นก็ตั้งมั่นไม่เจตนาดูไตรลักษณ์ของรูปนามก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะพอไม่เจตนาแล้วมันดียังไง เจตนาทางกรรมฐานเนี่ยนะเจตนาทํากรรมฐานเนี่ยเป็นมโนสัญญะเจตนามโนสัญญะเจตนามโนแภาวาใจสัญญะการหมายนะเจตนาก็คือเจตนานี่แหละเจตนาหมายรู้ทางใจเวลาที่หลวงพ่อบอกให้เราพวกเราดูจิตสังเกตไหมเจตนาหมายรู้ไหมเจตนาหมายรู้แล้วอะไรเกิดขึ้นเกิดการหมายรู้เกิดการกระทํา จิตเคลื่อนออกไปกระทํางานเลเที่ยวไปกวนอย่าไปโน้นไปนี้นะมโนสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทํากรรมนะให้จิตกระทํากรรมนะแต่ถ้าเราฝึกจนมันอัตโนมัติหมดเลยไม่ได้เจตนาแล้วคราวนี้แต่มันสติสมาธิสติสีนสมาธิปัญญามันอัตโนมัตินะไม่ได้เจตนาพอไม่เจตนาเนี่ยมันจะเกิดการทํางานนะแต่มันไม่ใช่การกระทํากรรมอีกต่อไปแล้วมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายนะ ทำหน้าที่ของมันไปแต่ไม่ใช่เราทำแล้วจนะมีการกระทำแต่ไม่มีเราผู้กระทำอีกต่อไปแล้วดูไปดูไปเมื่อปิ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีหรอกนะตัวเราไม่มีหรอกสนุกนะพาวนาอะไรที่ไม่เคยเห็นได้เห็นอะไรไม่ได้รู้ได้รู้นะอะไรที่ไม่เคยเข้าใจก็ได้เข้าใจค่อยฝึกเาอาจะได้ไม่เสียชาติเกิดว่ามาเจอพระพุทธศาสนานะนึกถึงพุทธศาสนานะก็เหนื่อยนะ รักษายากเหลือเกินคนทำลายมันเยอะเหลือเกินทำลายกันทุกรูปแบบเลยหวังใครไม่ได้นะหวังใครไม่ได้หวังพวกเรานี่แหละพุทธบริษัทสี่พวกนี้พิชซูพิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาพิกซูก็รอดได้เต็มทีแล้วมีข่าวทุกวนันทุกวนันะพิกษุนีไม่มีแล้วมีแต่ตั้งขึ้นมาเองแต่งขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สืบทอดมาแล้วนะ ไม่ใช่พิกษุน์จริงนะไม่มีแล้วอยู่ๆนึกจะบวชภิกณีจน์าตามใจชอบทำไม่ได้เหมือนอย่างอยู่ๆจะบวชเป็นพระตามใจชอบทำไม่ได้ต้องมีเงื่อนไขอย่างพวกเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเราจะมาอ้างเสรีภาพแล้วอยู่ๆผู้ชายจะมาบวชพระทุกคนได้ไหมไม่ใช่ทุกคนบวชได้นะมันมีคุณสมบัติเริ่มีคุณสมบัติผ่านคุณสมบัติแล้วต้องผ่านกรรมวิธีบวช ด, ด้วยใช่ม เหมือนจะเข้ามาหาวิเลยก็ต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นนักศึกษาได้ผ่านกรรมวิธีคัดเลือกของมหาวิเลยด้วยไม่ใช่มีเสรีภาพทำอะไรก็ได้เข้าใจผิดแล้วละ่ะภิกษุของเราทุกวันนี้ก็ร่อยรอเต็มทีนะพระน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็มีข่าวไม่ดีทําลายขวัญชาวพุทธเรื่อยๆภิกษุณีก็ไม่มีเหลืออุบาสกบาสิกาวันๆเล่นลายอย่างเดียวโอ้ เองแล้วว่าหวังพึ่งใครได้เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นมีอะไรเล่นอีกนะพร่อไม่ค่อยอะไรทวิตอะไรไม่รู้จักหรอกนะ facebook เออมีสารพัดจะเล่นเลยเนาะเล่นเยอะให้มันสมเป็นอุบาสกบาศิกาหน่อยนะอุบาสกบาศิกานี่ยผู้เข้าใกล้พระรนาตรายัยนะถ้าไม่ได้คิดจะเข้าใกล้รัตนตรยัยไม่ใช่อนะุบาสกบาสิกาะ เป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดานี่พวกเราสนใจในธรรมะแล้วนะศึกษาเข้าฟังที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือปริยัตินะไปดูของจริงในใกลในใจนี่คือปฏิบัติเจอทังเรารู้ด้วยตัวเองเป็นปฏิเวตรู้อะไรรู้ตรงกับที่พระเจ้าสอนจะไปรู้นอกเหนือจากที่พระเจ้าสอนก็ไม่ได้อีกนะมันเก่งเกินไป อย่างบางคนนะมันเก่งอะไรนักหนานะมันคิดวิปัสนาแบบใหม่ๆขึ้นมามีวิปัสนาแบบใหม่มีสมาธิแบบใหม่คิดได้ก็ เ, เป็นสาธารณะเรื่องสมาธิแต่เรื่องวิปัสนาเนี่ยคิดเองไม่ได้มันเป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะมีวิปัสน า, าพี้ลึกพี้ล่นอะไรกูู้เยอะแยะไปหมดทุกวันเนี้ยงั้นเรียนนะแล้วก็หัดดูของจริงดูใจรักของรูปนามไป โดยจนวันนึงมันเข้าใจความจริงตัวเราไม่มีรูปมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของนามมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของขันมันทํางานมีการกระทําแต่ไม่มีผู้กระทําจะเห็นอย่างนี้ได้โสตาต่อไปก็จะเห็นในของที่มีอยู่ที่ว่าไม่มีเจ้าของอ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้นะว่าสิ่งที่มีอยู่ก็ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้จะเป็นพระอรหันต์ เห็นอย่างอื่นไม่เป็นดอกเห็นทุกเห็นขันเป็นทุกขเรียกว่ารู้ทุกถ้าไปรู้อย่างอื่นก็ไม่เรียกรู้อริยสัจนะอริยสัจสี่คือทุกตัวแรกเลยต้องรู้ทุกอะไรเรียกว่าทุกขันห้ารูปนามนี้แหละตัวทุกพวกเรายังไม่เห็นพวกเราเห็นว่ากายนี้ทุกบ้างสุกบ้างใจนี้ทุกบ้างสุกบ้างเราไม่เห็นว่ากายนี้ทุกลุนล้วนจิตนี้ทุกลุนล้วนเราไม่เห็น ทำไมไม่เห็นอนะ่ะเพราะเรายังมีอวิชชาบังใจอยู่เมื่อเราหัดดูของจริงเรื่อยๆสุดท้ายอาวิชชามันก็ทนทานสติปัญญาไม่ได้สักฟอกมันเข้าไปทุกวันทุกวนันพามันดูของจริงทุกวันทุกวันเนี่ยหัดภาวนานะสู้ตายลําบากมันแคช่วงเดียวแหละแล้วมันสบายทีหลังเอาแต่สบายนะก็ลําบากนับพบนับชาติไม่ทวนตายแล้วเกิดนะไม่ใช่ตายแล้วศูนยนะ พวกหลับภูหลับตามโมเมตายแล้วศูนย์นเกิดแน่นอนเวียนเป็นวัฏฏะไม่จบมาง่ายๆหรอกแล้วถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะหมื่นปียังไม่ค่อยเปลี่ยนเลยตายไปทั้งหลายร้อยครั้งแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนในนิสัยเปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนทางแย่ลงเนี่ง่ายดีขึ้นยากนะจะให้ดีขึ้นนี่ยาก คลายๆเรียนมหาวิทยาลัยนะเวลาได้ C มาตัวหนึ่งนั่กลุ้มใจแก้ยากแนละ้วต้องหา A อมาโคเวอร์ลงพ่อเรียนปริญญาโทนะั้นได้เหมดเลยโยเวนมีวิชาหนึ่งได้บเพราะไม่เข้าเรียนทำไมไม่เข้าเรียนง่ายเกินอาจารย์ก็เลยหมั่นไส้สอบเก่งนะตอบได้หมั่นไส้ให้เป็นบ เองไม่เข้ามาเรียนวิชาค่าเลยบางคนเขาถนัดบีนะเขาได้เอตัวหนึ่งเขาดีใจละเราถนัดเอได้บีตัวหนึ่งเสียใจโ oh. กิเลสทั้งท่านเลยมองย้อนไปหลังๆเนี่ยโอ้ oh, เรามันก็โง่หลายไว้เขาบี็ผ่านละนะนะความทุกข์มันอยู่ที่คิดเอานะะ mm. อ้าส่งกันบ้าน น, นมาจักการหลวงพ่อคะอ่ะเมื่อวานมาอยู่วัดวันแรกก็มีแต่โมหะค่ะนั่งไปเข้าไปในกุฏก็หลับเสร็จ แ, แล้วมันไม่รู้ว่าเห็นเตียงหรือเปล่ามันเลยอยากนอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยออกมาข้างนอกมาเดินจงกรมอืเสร็จ แ, แล้วมันก็อ ม, มันก็ดีขึ้นแต่ว่าเดินเดินไปก็มีกงะะังวลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนั่งนั่งเสร็จปุ๊บก็หลับอีกคะ่ะก็เลย ก็เลยไปฟังซีดีหลวงพ่อก็ยิ่งหลับหนักกว่าเดิมโนแสดงว่าสงบค่ะก็ก็รู้ว่าแบบคือตอนมาค่ะก็ปาลบความเพี้ยนว่าเออเนี่ยจะทำให้เยอะเลยแต่กลายเป็นว่ามันก็สอนใต้ลักว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้คือโดยธรรมชาตินะมาอยู่วัดวันแรกเนี่ยที่จะให้สงบเนี่ยยากนะมันจะมีสองพวกพวกหนึ่งฟุ้งแหลกในพวกหนึ่งหลับแหลก พวกที่มันเหนื่อยมากับโลกข้างนอกมาแล้วมาอยู่ในบรรยากาศที่สงบเงียบจะหลับเพราะจิตใจมันต้องการพักร่างกายมันต้องการพักแต่พออยู่สองสวันนี้มันจะฟื้นตัวมีเรี่ยวมีแรงนี่เราอยู่ช่วงสั้นสามวันนี่ถ้ากลัวจะหลับพะอเอามาเดินข้างนอกข้างนอกไม่ค่อยหลับหรอกเดินเดินไปถ้าหลับเดี๋ยวยุงก็กัดเนอกหรือเดินสลืมสลือนะไปเหยียบงูเข้าอะไรเงี้ยงูก็กัดตื่นตื่นแน่นอน มีหลายตัวนะเห็นบ้างยังเห็นมังกรเย่าเอามังกรนะที่นี่มีมังกรมังกรมันก็คืองูนะแต่มันมีขาสี่ขาที่นี่มีอยู่หลายตัวอ้วนมากเลยแต่ละตัวมันกินไก่นะไก่เก่งอ่ะบิดต้นไม้ได้นะตัวเฮ่ยขึ้นต้นไม้ก็เก่งปีนแม่คาบไก่ไม่กินนะงูก็เยอะนะงูลามเขามีนะตัวใหญ่ แล้วก็ก็เลยเหมือนกับว่าพอไปดูเราก็เห็นว่าจิตมันมีโทสะพอมีโมหะปุ๊บก็โทสะกิดแล้วก็อยากหายว่ า, าออทายัางไงทำยังไงออมันธรรมชาติมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละ เ, ออเราเหนื่อยไปจากโลกข้างนอกหน้าที่เราก็คือดูไปถ้าใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเท่านั้นเองสั่งมันไม่ได้เนี่ยว่าห้ามง่วงห้ามไม่ได้หรอกนี้ถ้าจะให้จิตตื่นตัว ในเวลาสั้นๆ ส, สองสาวันเนี้อดนอนบ้างก็ยังไม่เป็นไรใช่ไมเราไม่ต้องกังวลมากพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องทำงานอะไรเงี้ยกลางคืนเราอาจจะภาวนาเยอะหน่อยออกมาเดินกลางคืนมืดๆน่ากลัวนะกลัไวไหมแค่ออกจากกุฏิก็กลัวแล้วบางคนกลัวหนักกว่านั้นอีกนะจะเข้าห้องน้ำอย่างกลัวเลยกลัวว่าเปิดประตูห้องน้าแล้วเจอใครนั่งอยู่ก่อนๆๆๆๆเนี่ย บทมันจะกลัวนะมันกลัวได้ประนีตมากเลยออกจากห้องน้ำกลัวแทบแย่นะจำเป็นต้องเข้าเข้าไปแล้วตอนเปิดจากห้องน้ำนะจะมันที่เตียงอะ่ะใครนอนอยู่บนเตียงเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกนะคนมันจะกลัวมันกลัวทุกเรื่องอะ่ะกลัวแล้วทำไงอะ่ะกลัวแล้วดูเอานะถ้ากลัวจริงๆก็จเจริญเมตตาไปจเจริญเมตตาไปเรื่อยๆหลวงพ่อเห็นมีแต่ข่าวลือนะเรื่องผีหลอกอะ่ะ เราลือๆกันเท่านั้นแหละหลูงพ่ออยู่มาตั้งสิบกว่าปีแล้วไม่เห็นผีหลอกเลยมีแต่ผีขอส่วนบุญผีหลอกไม่มีเราก็อยากสอบถามอีกเรื่องนึงค่ะคือหนูนั่งแบบเหมือนกับว่าดูตัวเองเนี่ยหายใจดูแล้วเสร็จแล้วกลายเป็นว่าอยู่ๆลมหายใจหายไปถูกแล้วจิต<ร>สงบ ม, มันเลยสงสัยขึ้นมาว่า<น>เอ๊ะเราทําไงต่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะดูแล้วก็รู้ทันใจที่สงสัยนะแล้วลมหายใจหยุดลงไปแล้วเหลือความรู้สึกตัวอยู่ก็ทรงความรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นแหละคือจิตมันรวมแล้วเป็นสมาธิแล้วก็นะให้จิตได้ทรงอยู่กับสมาธิพักผ่อนมันจะอยู่นานแค่ไหนก็ช่างมันพอมันถอยออกมานะเวลาถอยก็ต้องมีชั้นเชิงนะอย่าถอยพรวดออกมานะปวดหัวนะเวลาจิตรวมลงไป เวลาถอยออกมาเนะี่ยมันจะปตาติมถอยเองแต่ถ้าเราจําเป็นต้องออกมานะเราค่อยๆรู้สึกตัวให้เข้มข้นขึ้นค่อยๆหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นนะหายใจมันค่อยๆเคลื่อนออกเคลื่อนออกเคลื่อนออกมานะออกมาแล้วมจมําได้ไม่ปวดหัวนะค่อยๆฝึกให้ชํานาญทั้งการเข้าการทรงอยู่การออกถ้าหายใจดูลมหายใจแล้วลมดับได้ใช้ได้นะแสดงว่าสมาธิดี นูเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมว่ากายกับใจเป็นโค้ด้าน<ะ>เห็นไหมตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเห็นกายไม่ใช่เราไปเรื่อยๆดูไปบ่อยๆอไม่ต้องไม่จาเป็นต้องดูจิตก็ได้นะใช้กายเป็นหลักไว้ส่วนจิตจะมาเห็นตัวเห็นเองไม่ต้องไปคนคว้าว่าจิตเป็นไงจิตเป็นไงดูกายไว้ เ ร, เราทุกขเวทนาคือปฏิบัตินั่งสมาธิไปแล้วมันมีเวทนาทางกายเยอะมากนะคะหวลวงพ่อก็แผ่เมตตาเอาแล้วก็รู้ว่าเออมันมีโทสายแล้วแล้วก็อยากหายหอะไรอย่างนี้ครัก็จะปฏิบัติมูชาพระพุทธเจ้าบูชาหลวงพ่อชาตุนะ<า>ดีดีดีมากเรียนกับหลวงพ่อมาถึงเจ็ดปีแล้วครับก็รู้สึกว่าอ่ำจิตใจเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็เป็นกลางมากขึ้นแล้วนะครับอยากขอคําแนะนําจากหลวงพ่อหนะ่อย สมาธิอะนะมันต้องถึงฐานจริงๆครับผมถ้าจิตถึงฐานมันก็เดินปัญญาแล้วก็ให้มันทํางานของมันไปคหลวงพ่อครับผมสงสัยเรื่องหนึ่งคือผมเนี่ยผูกพันกับลูกชายค่อนข้างมา ก, ก น, นะครับความรู้สึกทีนี้เนี่ยบางครั้งมันรู้สึกขนาดนะที่ว่ามันถามตัวเองว่าถ้าเกิดเราวางลูกชายไม่ได้มันจะวางตัวเองได้หรือครับผมต้องวางลูกชายก่อนหรือเปล่าครับเนี่ดูของเราไปก่อนไม่ต้องคิดวางลูกชายนะ เดี๋ยววันหนึ่งลูกชายก็วางเราครับผมคือผมคร อ, อบครองเราเราดูของเราเองแหลทําไมเรายึดลูกชายเพราะเรายึดตัวเราเองเพราะว่ามันลูกเรางั้นหัวโจกของปัญหาจริงๆคือเราถ้าเราไม่มีสัอย่างลูกเราก็ไม่มีไม่ต้องไปแก้ที่ลูกนะนั่แก้ปลายเหตุแล้วแก้ยากมันจะกิวตี้แนละ้วอุ้ยนี่มันลูกนี่หว่าอะไรอยงี้นะ จรงซะ ก, ก็ไม่ได้รักลูกไปดูแลลูกไปแล้วลูกฟังซีดีไหมก็สอนให้ภาวนาอยู่ครับพานั่งสมาธิทุกทุกกลังคืนนะครับโอ้ดีครับผมที่ทำอย่างนั้นได้นะครอบครัวร่มเย็นเด็กจะได้มีภูมิต้านทานเด็กของเราทุกวันนี้ไม่มีภูมิต้านทานเด็กเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของคนชั่วนานาชนิดเลยอย่างน้อยก็เหยื่อของพ่อค้าจะขายของ แล้วพ่อแม่ก็เป็นเหยื่อันของลูกต่อไปมันอยากได้อะไรมุ้มมาเอาที่พ่อครับหลวงพ่อคะ่ะตั้งแต่หลวงพ่อให้พุโทโธก็จะจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าดูแยกแยกธาตุแยกขันแล้วมันมันเห็นการทำงานของใจกับกายมากขึ้นเห็นมันมันแค่เปลี่ยนไปอะคะ่ะ ฝึกไปนะเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆ<ช>สิ่ง ท, ที่เราได้มานะคือสัมมาทิฏฐิไม่ได้ใหญ่เงื่นหรอกได้สมาทิฏฐิได้ความรู้ถูกเข้าใจถูกรู้ถูกเข้าใจถูกก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์เป็นลําดับไปแล้วเราดูกายดูใจไปเรื่อยๆนะมีพุทโธเป็นแปะ ก, กลาวไว้จิตจะได้มีกําลังุ ตื่นเต้นค่ะเหลอใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นทั้งนั้นแหละตื่นเต้นมากหนูเพิ่งมาใหม่ค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูรีบฝากเนื้อฝากตัวค่ะ <laughs> ตัวจะตรวจการบ้านเข้มขน้นหนูจะมาขอการบ้านหลวงพ่อค่ะการบ้านเดี๋ดูกายดูใจเห็นไหมใจเรามีกิเลสตัวไหนแรงดูออกไหมโลภกรดหลงตัวไหนแรงหลงค่ะหลงค่ะ หลงก็ต้องมีเครื่องอยู่น ะ, ะบริกรรมไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปใจหลงแล้วรู้แล้วกลับมาพุโทโธใหม่ถ้าฝึกอย่างเนี้ยใจก็จะหลงน้อยลงน้อยลงคให้จิตมันมีบ้านอยู่จะได้ไม่หลงยาวเห็นไหมกายกรับใจเป็นคนออคะละอันเห็นไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วกระจับใจก็คนละอันเนี่ยไปหาดดูเ้านะไปหาดแยกไปเรื่อยร่างกายนี้มันถูกรู้อยู่ นั่งอยู่ก็ยิ้มต้องยิ้มนียิ้มหลับตาแล้วก็ยิ้มเี่ยเห็นร่างกายยิ้มไหมพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเห็นไหมร่างกายเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเยฝึกอย่างนี้แหละฝึกแล้วขันมันจะแยกชัดขึ้นมาะะค่แล้วเห็นขันมันทํางานไปเรื่อยๆอ่ะต่อไปค่ะนามัสการพระอาจารย์ค่ะเป็นการย์สงการบ้านครั้งแรกในรอบเจ็ดแปดปีอะค่ะก็ สภาวะตอนนี้เวลาเห็นจิตมันเกิดดับอัตโนมัติเลยอะคะ่ะโดยไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เป็นอะคะ่ะเออต้องอย่างนั้นสิกาลังก็สําคัญนะกําลังจิตต้องมีพลังและจิตไม่มีสมาธิเลยก็ไม่มีแรงกราบหลวงพ่อครับก็วันนี้ตั้งแต่จะส่งกันบ้านตั้งแต่เริ่มคิดใจส่งกันบ้านไปหยิบเบอร์ขึ้นมาก็เห็นความตื่นเต้น ขึ้น ข, นขนลงลงตลอดตั้งแต่ฟังพ่อมาช่วงช่ว ง, ว ง, วงสายนี่ครับอืก็ไปดูกันไป อ, อ, อยากถามในเรื่องของการภาวนาว่าช่วงนี้8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือที่ผสงฆ์นแเดือนที่แล้วรู้สึกว่ามีความเป็นกลางต่อความจเจริญและเสริมมากขึ้นไม่รู้เห็นจริงหรือเปล่าความก้าวหน้าของการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตดีครับจิตสงบจิตสุขนะมันอยู่ที่ว่าจิตเนี่ยเข้าใจความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงได้มากแค่ไหน ยิ่งเราเข้าใจความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงได้มากก็เรียกเจริญในการปฏิบัติเห็นกิเลสอยู่นี่แหละจิตเป็นกลางกับมันแล้วกิเลสไม่ครอบงําจิตด้วยจิตก็ไม่ได้เกลียกกิเลสด้วยไม่คล้อยตามกิเลสแล้วก็ไม่ได้ต่อต้านกิเลสอันนี้เก่งนะถ้าจิตเป็นบุญเป็นกุศลนะแล้วก็เคริบเคริ้มยินดีในบุญในกุศลเพลิดเพลินในบุญกุศลไม่ดีเลยดีนิดหน่อยไม่ดีมากเลย นมัสการครับหลวงพ่อว่าวันนี้มีเรื่องจําเป็นจริงๆครับที่ต้องมาเช็คความถูกต้องเพราะผมกลัวจะหลงปิดนะครับเ อ, อคือช่วงที่ผ่านมานี้มันจะเห็นตัวอนัตตาครับอืก็คือจะมันจะเห็นว่ามันคิดได้เองมันพูด<อ>ได้เองแล้วก็จะเห็นจะเห็นว่าสภาวะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เองแล้วก็มีสภาวะที่เราห้ามมันไม่ได้จริงๆครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิด เ, เห็นถูกเห็นถูละแสดงว่าอย่างนี้ผมขึ้นวิปัสสนาได้ใช่ไหมครับใช่แล้วบางทีที่จิตปรามาตรพารไตกับ มันก็ปาม마ดออกมาเองเป็นคําหยาบๆครับออผมก็มองในมุมอนัตตาว่ามันปามาได้เองอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันไหมครับถ้าถ้าเห็นว่ามันทํางานได้เองไม่ใช่เรานะี่ยก็ใช้ได้<ม>แต่ไม่ใช่คิดนะเป็นความรู้สึกนะผมผมไม่เห็นว่ามันไม่ใช่เราครับแต่ผมเห็นว่ามันบังคับไม่ได้ครับออบังคับไม่ได้นั่นแหละคือคอําว่าอนัตตาก็ถูกใช่ไหมครับถูกก็มีอีกสองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือว่าหลวงพ่อบอกให้ผมไป คิดพิจารณาร่างกายเพราะผมติดนิ่งครับแต่ว่าผมไปลองพิจารณาแล้วพิจารณาไม่กี่วันมันก็รู้สึกไม่ถูกจริตครับผมเลยใช้วิธีรู้ทันจิตที่มันว่างแทนงนี้ใช้แทนนกานนั้นรู้ทันอะไรนะรู้ทันจิตที่ว่างแทนนะครับอย่าให้มันว่างก็แล้วกันใช้รู้ทันแทนได้ไหมครับรู้ทันได้ครับก็เรื่องสุดท้ายครับผมเคยคิดว่าผมภาวนาจนเข้มแข็งแล้วครับที่จะเจอทุกข์กับทุกหนักหนักแต่ผมพอผมเจอทุกหนักหนักจริงๆเนี่ยผมก็สอบตกครับสติแตกแล้วก็ ปฏิบัติไม่ถูกเลยครับก็เลยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคาดไว้แล้วผมก็เลยอยากถามหลวงพ่อว่าทุกผมต้องเจอแบบทุกข์ที่มันหนักๆอีกผมจะสู้กับมันได้ยังไงเพื่อผ่านมันไปให้ได้ครับก่อนที่จะเจอทุกข์หนักๆอ่ะพอนาให้ดีเวลาเจอแล้วถึงจะสู้ได้ไม่ใช่รอเจอแล้วจะแก้อย่างไงนะเหมือนเราจะว่ายน้ําต้องหันว่ายสะก่อนตกน้ําเราก็หัดเจริญสติเจริญปัญญาเจริญสมาธิไปเวลาที่เจอความทุกข์มันถึงจะช่วยตัวเองได้ ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เจอความทุกข์ก็ล้มเหลวไปเลยโดยความทุกข์นอกเอาก็ขอถวายการเปิดให้ภูริจ้าหลวงพ่อแล้วก็ทุกท่านในที่นี้ด้วยนะครับเออสาธุกําไรแล้วเห็นไหยนั่งฟัง <laughs> <laughs> ครับคือผมมีคําถามนะครับครั้นี้เป็นการส่งการมากครั้งแรกครับรู<ม>้สึกอตื่นเต้นครับตอนนี้ครับก็คือหลังจากที่นั่งสมาธิหรือภาวนาไปเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตมัน มันจะติดเฉยติดนิ่งแล้วบางทีก็รู้สึกแน่นๆเตื้อเตื้อครับอก็เลยคิดว่าน่าจะผิดเพราะว่าการทําสมาธิหรือการภาวนาน่าจะแบบมีความรู้สึกเบิกบานหรือเป็นกุศลนี่ครับเกือบร้อยละร้อยของคนที่ทําสมาธิน่ะผิดตรงที่จุดเริ่มต้นนี่แหละพอเริ่มต้นคิดถึงการทําสมาธิเลยก็สิ่งแรกที่ทําก็บังคับร่างกายต้องนั่งท่านี้ก่อนบังคับร่างกายได้ที่แล้วก็บังคับใจ ไปรวบจิตเข้ามาไปรวมเข้ามาถ้ารวมอย่างรุนแรงนะจะแน่นเนี่ยแล้วค้างเลยตาเนี้นะอีกพวกหนึ่งนะทำให้มันซึมซึมนะน้อมแกล้งทำให้ซึมนะพอลืมตาขึ้นมาก็าอย่างนี้นะโอ้สมาธิอย่างนี้ไม่เอาเลยนะ ใช้ใจที่ธรรมดาอย่างถ้ารู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจด้วยใจที่ธรรมดานะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างอย่าไปบังคับให้สงบนะถ้ารู้ไปด้วยใจที่สบายจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนะแต่ถ้าบังคับเนี่ยจะไม่ใช่สมาธิที่ดีมันจะอึดอ น, นนะไม่ต้องไปเขี้ยวเข็นบังคับจิตให้สงบหรอกนะแค่รู้ลมหายใจแค่อะไรไปนิดเดียวก็สงบอยู่แล้วละ ทำใจสบายๆเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่สบายนะนามาสการเจ้าค่ะขอส่งการว่าในรอบหนึ่งปีเจ้าค่ะก็เห็นไหมว่ากากับใจเป็นคนละอันกันเจ้าค่ะเห็นไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วก็แยกออกไากกัเจ้าค่ะนะดีใช่ได้เจ้าค่ะแล้วเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เรามันทํางานได้เองเออตัวนี้เห็นไหมยังเจ้าค่ะคําว่าอนัตตานะมีทั้งห้ามุม มันทํางานของมันได้เองก็แบบหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราอันหนึ่งคนละแยกคนละมุมเป็นอนัตตาเท่านั้นเลยไม่อยู่ในอํานาจบังคับนี่ก็เป็นอนัตตาใช่ไหมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ดูออกไหมดูออกจ้าค่ะอย่างนี้เรียกเห็นอนัตตาแค่มุมใดมุมหนึ่งก็เป็นอนัตตาล้วจ้าค่ะนั้นเมื่อเราเห็นขันมันเป็นอนัตตานะเราก็ดูขันมันทํางานไปเรื่อยดูเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่เราหรอกจ้าค่ะ ใช้ได้ดีขอบพระคุณเจ้าค่ะบางคนนะเตรียมส่งกันบ้านมาพอาเจอหน้าหลวงพ่อนะคว้าไม่มาลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จะพูดอะไรดีไม่ก็มาถึงแล้วเจริญพ่อหลวงพ่ออไม่รู้จะทำไงแล้วเปล่าว่ามาหลวงพ่อว่าไงนั่งดูจิตอยู่นะกออ็ หลงไปคิดะแล้วก็ตัวรู้ก็กลับมาเออตัวรู้ก็เห็นว่าจิตไม่อยู่ที่ขันเออถูกแล้วน้ำมาทำก็ไม่มีอืไม่อยู่แต่แล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ว่าจิตหนีไปอยู่ที่มือเอ <Yeah. S 2> ก็ตัวรู้ก็บอกก็รู้ว่าจิตมันอยู่ที่มือแล้วอืมเสร็จ แ, แล้วก็ มือเนี่ยพอตัวรู้รู้ว่ามันสั่นนะฮะมันจะสั่นเลยนะฮะส่วนส่วนขันเนี่ยมันจะไม่มีอะไรอยู่เลยอืมันจะเฉยอืมหูก็ไม่ได้ยินอะไรอแต่ว่าทําให้มือเนี่ยครึ่งนี้่มันสั่นมันสั่นแล้วมันกระตุกกระตุกเราเห็นแล้วว่าจิตมันทํางานได้ครั้งแล้อย่างเดียวนะ ในขณะนั้นจิตรู้มือเนี่ยหูไม่ได้ยินะนะความรับรู้ที่อื่นไม่มีรู้ที่มือนะแล้วมือเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะรู้สึกไหมมันสั่นได้เองเมื่อสั่นของมันมันไม่ใช่เราอันไม่ใช่เรานะดูไปเรื่อยมันไม่ใช่เรานะเรมันไม่ใช่เราคุณดูใช่ใช่ก็เลยคิดว่าตัวรู้ว่าสงสัยว่าทําไมมันถึงสัน่นให้รู้ว่าสงสยัยสงสยัยเอ คนธรรมดาเขสั่นตลอดเวลาแหละด๊อกแท๊ก ด, ก ด, กดก๊อกแท๊กไปเรื่อยเลยแต่ว่าทางขักนกรรมาทําอะไรพวกนี้เงียบเฉยเลยเออล้วก็เห็นสักแต่เห็นเนี้ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราดูไปขอบคุณค่ะกลับนมวัชกรารหลวงพ่อค่ะขอขอมาหลวงพ่อค่ะขอกลับเข้ามาอืมรับทราบค่ะเมื่อ สองปีที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูความกลัวค่ะส่งกลับบ้านมาสสังเกตตัวเองว่าดีขึ้นนะคะว่ารู้สึกว่าดีขึ้นถ้าเกิดมีความกลัวขึ้นมาบางทีก็ใช้คาเมตตาใช้เมตตาไปอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นในเรื่องของความกลัวแต่มีบางช่วงที่ภาวนาไป บางทีเห็นอะไรแปลกๆอะค่ะหลวงพ่อเพื่อนก็เลยกัญญาณมิตรก็เลยบอกว่าให้มาถามหลวงพ่อแล้วกันเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าค่ะเห็นอะไรล่ะแปลกๆคือสภาวะบางทีนอนอยู่ก็เห็นเหมือนมีอะไรมาวิ่งตรงข้างๆนะคะแต่นานๆจะเกิดครั้งทีค่ะหลวงพ่ออะไรเกิดก็ช่างมันนะไม่ว่าจะนิมิตใดๆเกิดเนี่ยให้ย้อนกลับมาที่จิตของเราค่ะจิตกลัวให้รู้ว่ากลัวจิตสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเนี่ยดูเข้ามาที่จิตเลย ของอื่นไม่สําคัญหรอกเข้ามาที่จิตจะปลอดภัยแต่ยังปฏิบัติถูกทางอยู่เฉพาะคนว่าในเจณแม้ขันมันแยกได้นั่นแหละตรงนี้เก่งนะะยากมากเลยกว่าคนคนหนึ่งจะแยกขันได้ <ขอ S 2> แต่ไม่ยากาแล้วนะถ้าขันแยกแล้วดูขันแสดงใจรักไม่ยากแล้วที่จะบรรลุมรรคผลนะมันยากตอนที่ทํำยังไงขันมันจะแยกออกมา ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อข้ามีอีกข้อหนึ่งค่ะเพิ่งจะเปลี่ยนงานแล้วแล้วเห็นการทำงานพอมันมันเยอะมากเลยกับบางทีเอ็กเราไม่มีเวลาเจริญสติหรือเปล่าก็เลยว่าคิดผิดหรือคิดถูกที่เปลี่ยนงานแล้วก็หรือว่าจะไปทำธุรกิจส่วนตัวดีอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าการทางานเนี่ยทาให้ตัวเองมีเจริญสติน้อยลงหรือเปล่าเพราะว่าวันวันนี้แทบจะไม่ได้ แต่รู้สึกตัวอีกทีก็คือเดิ น, นช่วงที่เดินนะคะทํางานต้องคิดหรือเปล่าหรือทางานค่ะทํางานต้องคิดไปเร่อเหมือนมีทำมาเรื่อยๆอะคะ่ะจนบางทีตื่นขึ้นมาบางก็ยังรู้สึกก็ยังคิดเรื่องงานอยู่อะคะ่ะ อ, อ๋อนั่นใจมันหมกมุ่นไป อ, อ๋อค่ะทำงานอย่างนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกนะแล้วคอยครู้ทานกิเลสเช่นเบื่องานรู้สงสัยรู้ลาคาญ ร, รู้อะไรอย่างเงี้ยดูเข้าไปค่ะนะ ทำงานนี่แหละยิ่งปัญหาเยอะๆเลยยิ่งภาวนาดีถ้าสบายแล้วภาวนายากนะเวลาชีวิตมีปัญหางานยุ่งปวดหัวนะอยากมีมืออย่างทศ ก, กัณฐ์จะได้ทำงานคันค่ะ ข, ขอบพระคุณมากค่ะหลวงพ่อไปสู้เอานะอาเชนกับบ้าน